ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เก้าในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกําลังใจคุมใจไว้ไม่ไ ห, หลไปสู่อารมณ์ของความผิด แต่ที่มีรมคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่จะคิดว่าร่างกายไม่ตายถ้า ต, ตามปกติจริงๆไม่คิดเลยจะโดยซ้าไปทอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดเรงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพ อย่าส่งอาชีพให้ดีเป็นยังไงรวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทำไงจะเป็นคนดีที่จะคิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายอาคูมภูมินี่หายากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกว่าการเกิดวันนี้เราจะรับผลกฎของกรรมสองรายการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ขณะใดที่อกุศลและกรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดทั้งตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดที่กุศลท้ายก่อนให้ผลดนใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สน ทางที่จะไปก็คือหนึ่งอบายภูมิแดงเขความทุกข์สองสุคติมีสวรรค์พมลโลกละนิพพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุสโลกแต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มได้วยความยากไร่อย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะทราบตอนที่พูดถึงศีลและธรรมวันนี้แล้วก็มาเตรียมกันไว้ก่อนเขาบรรดาท่านผทธบษษริสัทธ์ผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระจินวรส่งพากันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอบายภูวง ม, มีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจของเราไปกอบไปดุโสนก็ไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบัรดาแตนพระธศาสนิกรนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอาบายภูมิจะขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไป และจะนำสินห้าบริการเป็นกรแพงกั้นอวัยภุมิไว้โดยจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ผลของตลอดการตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านุทธบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกเพีงเรื่องนี้วั น, นกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปในพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ความจริงพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีเของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีมากมายนักก็เป็นว่าการเจริญสมาธิในพุทธานุสติกรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้ซสื่งสติสัมัาญะ เรตองสติวยการนึกไว้สัมพชสัญญาการรู้ตัวนึกไปว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดจะหลงถกถ้าการหนาใดเราลืมความดีของพระพุทธเจ้าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนักืีพระพุทธเจ้าถาลืมไป นึ่แสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอาวบายะคุมก็ได้แต่ว่าข้าหนาใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจ้าภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีก็าสมเด็จตระสัมมาพุจ้ารก็ดีนึกยอมรับนับถือเคารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติ ถือว่ามีลมแจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นและนอกจากนั้นในการภาวนาบรรดาธรรพุทธบริษัททชนงหลายภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดีในหรือว่าในการเล็กถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอานาปานุสติกามฐานขึ้นลมหายใจเข้าออกควบคู่กันไปแต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆ เรียกว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านผทธบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทํากันตลอดวันตลอดการตลอดสมัยนั้นไม่ได้เพียงแเพียงว่าทํามีกิจการใดๆแล้วก็ทํำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จําจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัวให้ปลอดภัยแล้วก็คิด ในเมื่อจิตหยุดคิดอย่างธุรกิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีอารมณ์ดีถึงที่สุดแล้วด้วยการภาวนาด้วยกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกด้วยภาวนาว่าพุโทโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจํากัด จะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันเท่านั้นในบริการหนึ่งก่อนภาวนาแล้วถ้านระลึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> <c oughs> ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดีอย่างไงหรือว่าการพิจนารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหน ถ้าเราตั้งใจใช้ภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี่ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเส้นใหม่ภาวนาให้ถูกเมื่อการกำหนดรู้ลมหม่ใจเขาออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรนคำว่านิวรนความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวรนและบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอย แต่ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคำว่านิวนณีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีข้าว่าทานภัยนี่ตาแบบนักทําโทตามหลังสูตรเขานักทําโทแต่บอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ว่านายพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสหยากที่ทําปัญญาให้ถอยหลัง ในก็นหมายความว่านิวรณ์ห้าบริการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจรารณาคือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์ย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึกต๊กเข้าไปในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจ กร็รวมความว่าใจเขาเราชั่วไปเกลือกล้วกับกิเลสหยาบกิเลสนี้จะทำให้เราลงอบายภูมิกิเลสหรือว่านิวนหรห้าประการก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากมราชันทะโดยการที่สองความโกรธความเจบบาทที่มีการจองล้างจองพานสิ่งกันแลกันโดยการที่สามคือความง่วง รายการนี้สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปควบคุมกำลังจิตกำลังใจไม่อยู่ภาวนาไม่ถูกรืลืมภาวนาไปเลยข้อที่ห้าในการสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวนาก็ดี ในเวลาที่พิจรารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปซะแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะขณะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลงในใจเขาออกแล้วเราภาวนาควบคู่กันไปได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบคู่กันไป อย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กําไรใจเขาเราเต็มไปด้วยมาหากรุสสสามารถจะนําตนไปสู่สุคติได้แบบสบายๆเตือนในัขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับรู้ลงในใจเขาออกก็ดีพิจรารณาก็ดีนานๆไปสักนาทีสองนาทีสามนา ท, ทีนี่ฝึกใหม่ๆนะ จิตอาจจะพ่ายคิดเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตําหนิตนว่าเลวเกินไปเพราะว่ากําลังใจเขาเหลานี้เขาเหล่านี้นคบกับการพุ่งสร้างมานานนับอสงไขยกับอยู่อยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริ ง, รงๆนั่นะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยสติคือความลึกนึกไว้สัมมัญญะะการรู้ตัว เรือลมเผลอนี่เราเราเราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วหรือคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้ก็เ ร, เรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อน แต่ว่าอารมณ์จิตที่มันพุ่งสซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถิอว่าชนะถ้าหากว่าจิตใจขบรนดาทต็มพุทธกิจัทในขณะที่ภาวนาอยู่หรือพิจรารณาอยู่เกิดชนะนิวรณ์ขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากําลังจิตขบรรดาทต็มพุทธศาสตต์พระนิฆชนจะมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ แต่ถามว่าการชนะดีวอนต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งมานิวอนเข้ามาโกนใจถ้าเราจะทําลายกันจริงๆชวาวนิวอ น, นีการทรงชาโลกีก็ดีหรือว่าเป็นปรโสดาบันและสกิทาคาเมก็ดี เราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้ได้ขาดได้ได้เพียงยับยังนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือการมฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาามบัการจองคิดจองล้างจองผลาญความโกรธความขับแคลน ทั้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆตอนเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสําหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอนาคัาตผลถ้ากําลังใจเราไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ยับยั้งโชคข่าวอย่างนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการรับอิรยับยั้งโชคราวจะมีผลเป็นปการใด ก็ต้องขอตอบว่าจะทำกำลังใจขอาบรรดาแทนพุะตบิษัทให้มีความสุขคุณมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์ชั่วในการที่จะทำลายสินห้าก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากันอย่างง่ายๆเช่ความโกรธความโกรธเราเคยฉุนเฉียวถ้าชนะนิวรันครั้งละสองสามนาทีในการเจริญภาวนาสมมติว่าเจริญภาวนาจริงๆ ครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่การใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไม่ใช่ชนะทั้งครึ่งชั่วโมงมันชนะจริงๆแค่สองสามนาทีเพียงเท่านี้ทำไปจริงๆสักประมาณหนึ่งเดือนคือวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาเช้ามืดหรือเวลาหขวคำก่อนหลับก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ ชนะจริงๆคือรู้ลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะรู้คำภาวนาโดยเฉพาะหรือรู้การพิจรารณาการนึกถึงโดยเฉพาะโดยนิวรณทั้งห้าประการไม่เข้ารบกวนใจหลังจากนั้นจิตเขาฟุ้งซ่านเกินไปก็ตามใจมันแล้วก็เลิกถ้าฟุ้งซ่านมากเกินไปจริงๆเราเลิกบังคับไปอยู่เท่านี้ บ, บรรดาเท่านั้นพระมริษัทผู้เป็นสาวกเขาองค์สมเด็จพระบรมครู สัปประมาณหนึ่งเดือนคือช น, นะวรเล็กวารนอยามันสะสมอยู่ในใจหนึ่งเดือนผ่านไปกำลังโกรธที่มีความชุนเฉียวที่เคยมีมาแล้วมันจะลดตัวลงโกรธเหมือนกันแต่ความโกรธจะเบาลงสมัยก่อนยังไม่ภ า, าวนาและพิจรารณาล้วโกรธแล้วขังความโกรธไว้นานจองล้างจองพรายกันนานหลายวัน ถ้าภาวนา ท, ทำแบบนี้สัปรายการหนึ่งเดือนไม่ขาดโกรธมีแต่เบาวกว่าเดิมแล้วก็หายเร็วกว่าเดิมนี่สนแสดงว่าจิตใจของเราเริ่มเริ่มเยือกเย็งขึ้นแในเมื่อจิตใจเริ่มเยือกเย่งขึ้นกาความมีเหตุมีผลก็มากขึ้นถ้าตัดกรรมาฉันท์ทคือยับยั้งได้ไม่รุ่มร่ามภายนอกบ้าน พอใจจะเพาะอารมณ์การมฉันท์ทาในบ้านคือความรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแค่นี้เราจะมีความสุขมากแล้วรายการที่สองไม่เป็นคนมโหโทโสร้ายมีจิตใจเยื่อกินเราก็จะมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเราก็จะมีความสุขรายการที่สามเราเวลาทำความดีไม่ง่วงสติสัมปชัญญะก็สมวุนขึ้นรายการที่สี่ถ้าจิตใจไม่พุ่งร้างเกินไป การคิดจะทำอะไรจะประกอบกิจการงา น, น, นต่างอารมณ์ก็อย่าส่งตัวสมองก็ปลอดโปรง่งโดยการที่หา้าถ้าไม่สงสไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพบกับความดีพิเศษในกรณีที่จะพูดต่อไปรวมความเมื่อกำลังใจของเราลดเหตุห้าบระการลงไปได้ถึงแม้ว่าตัดไม่ได้แต่กำลังเขงเหตุห้าประการคณิวอนห้าประการนี้ มีกําลังอ่อนไปเราก็จะมีความสุขคนมากถ้าเรามามองกี่ทั้งบสินการละเมิดศินจะละเมิดยากมากขึ้นจะทรงศินได้ดีขึ้นเพราะสติสร็จสัญญะได้ความยื่ยกเยิงของจิตและอารมณ์ที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีด้วยความไม่ประมาทที่คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้ก็ดี จะมีรมทีขึ้นความสุขจะเกิดมากขึ้นนอกจากความสุขจะเกิดขึ้นกับเราแล้วความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยช่วยให้โลกมีความสุขมากขึ้นความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นเพราะการไม่เจ้าชู้ด้วยการที่ไม่โหดร้ายหาเรื่องก่อการวิวาดนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ สามารถก่อให้เกิดทิฏฐิยากุญญาณได้ความจริงหลักส่วนของวิชาสาก็อยู่ที่พุทธานุสตินี่แหละถ้าจะบอกว่าตกระสนนินก่อง น, นั่นกองนี้การดูพระพุทธเจา้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกรสิงได้การดูพระพุทธรูปการนึกถึงพระพุทธรูปก็เป็นกนสิงขณะใดที่เราคิดว่าท่านเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธานุสติ ถ้าพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตะกะเกะสินด้วยพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอาทาเกษินด้วยถ้าว่าพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีและกษินด้วยอย่างนี้เป็นตน้นลงความมาแล้วก็ปฏิบัติท่านนาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยเกสินด้วยภายในตัวเสร็จก็เวลาเล้ยสิบนาทีมีตัวอย่างที่จะคุยให้มันดาเต็นพุทธบริษัท รับทราบสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเมื่อปีพศ2512ปีนั้นมีคุณยายท่านหนึ่งคุณโยมพู้เฒ่าท่านอายุท่านก็มากแล้วเฮียถึงเจ็ดสิบปีท่านอยู่บ้านท่เจะเินพุทธานุสติอยู่เสมอเพราะว่าใครๆก็สอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาพระพุทโธบ้างมองหนูพระพุทธรูรเปนนเพื่อไปนิมิตรหมายจจกรมให้ทรงตัวบ้างทําอย่างนี้เป็นปกติมาในปีนั้นท่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีรูปสิทธุขามากท่านสอนกันมาฐานมีคณะของท่านมากมายมีชื่อเสียงมากก็ไปขออาศัยศึกษาอยู่ในสำนักนั้นสามเดือน ความจริงท่านตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตคิดว่าชีวิตเบื่องปลายแล้วก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วที่พึ่งของเราจริงๆก็คืออารมณ์ที่เป็นมหากุศลเมื่อเข้าไปอยู่ในสนักแล้วก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้ใช้กรรมาฐานอีกแบบหนึ่งความจริงกรรมาฐานนี้จะเป็นแบบไหนภาวนาแบบไหนก็ตามจิตมุ่งหมายจริงๆก็คือหนึ่งต้องการให้มีสินบริสุทธ สองมีอารมใจวปสมาธิสามมีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้เท่าทาังกิเลสและตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเฉติบาหารได้ความจริงความต้องการของพรเจ้ามีเท่านี้นี่ขบันดาญ า, ยาโยมพุทธบริษัทการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าถือว่าที่ไหนผิดแล้จงอย่าถือว่าที่ไหนถูกแต่แห่งเดียวถ้าทาจิตให้ทรงศีลบริสุทธิ์ได้ ทรงสมาธิได้มีปัญญาสา ม, มารถล้างกิเลสได้ที่นั่นถูทั้งหมดสำหรับวิธีปฏิบัติจริงๆมีตั้งหลายพันแบบไม่ใช่แบบเดียวในเมื่อคุณโยมเจริญพุทธานุสติอยู่เป็นปกติไปเจออาจารย์สอนผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมาใจก็อดที่คิดถึงอารมณ์เก่าไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ของเก่าใช้ไม่ได้จนใช้ของใหม่ที่สอนไม่งั้นจะไม่มีผลคุณโยมก็ไปคิดอย่าจะนึกถึงของเดิมแต่ยิ่งไม่ทึกไม่ไม่นึกถึงเพิยงเพียงใดภาวาและพิจารณาตามที่อาจารย์สอนคำว่าพุทโธไม่มีในใจแต่ภาพพระพุทธรูปปรากฏแทนที่จะนึกแต่พุทโธอย่างเดียวไม่นึกละนึกตามที่อาจารย์สอน ภาพพระพุทธรูปลอยดึงคือขางนาตอนชาวอาจารสอบอารมณ์ก็ไปบอกกับอาจารย์ว่าเมานนื่อคือเน้นภาพพระพุทธรูปอาจารย์ก็บอกว่าโยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วภาพประเภทนี้เป็นกิเลสต้องทิ้งไปจงอย่าถือเอาโยก็พยายามไม่ถือเอาทําใจเป็นสมาธิให้เข้มข้นตามที่อาจารย์สอน ในเมื่อความเข้มข้นของจิตมีมากขึ้นเพียงใดภาพพระพุทธรูปกระแจ่มใสมากเพียงนั้นในที่สุดภาพพระพุทธรูปก็มีกระขาวเป็นประกายเป็นแก้วเป็นแก้วประกายพึ่งแพรวพราวพันยับเด่นจับหูจับตาครั้นี้เอาหนะักหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจะนอนซ้ายนอนขวาหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นตลอดวัน เป็นนัตวาจิตของคุณยายทรงฌานขั้นสูงในพุทธานุสติกามธานอย่างนี้เป็นฌานท่านพุทธบริษัทไปรายงานอาจารย์ที่รายาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโยไม่ไหวนโยมกิเลสเล่นหนักแล้วคุณโยก็เกิดความไม่สมบายใจต่อไปก็ไปรายงานอาจารย์ละเอาเนเมื่อพระพุทธรูปจะมาก็าเอาพระพุทธรูปเถอะ เลยไม่อาจท้าอาจารย์ถามว่ามาคืนภาวนาว่าอย่างไรแต่คำภาวนาใช้ตามแบบฉบับของอาจารย์ได้กำลังใจก็ยินดีในผู้ภาพภา พ, า พ, าพระพุทธโลกก็ชื่นใจมากยี่งนานวันจิตนียสดใส พ, พระพุทธโลกก็แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นยิ้มแย้มแจ่มจใสคล้ายๆกับมีชีวิตชีวามองเห็นหน้าทีไรก็เห็นว่าพทุทธโลกยิ้มทุกที ในที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทอ้อนภาษาแล้วคุณยายก็อยู่ไม่ได้เพราะขวางกับสำนักนั้นความจริงกิจกรรมไม่ได้ขวางด้่กําลังใจเห็นพระพุทธ ร, รูปท่านบอกว่าพระพุทธ ร, รูปเป็นกิเลสคุณยายก็ต้องกลับบ้านเมื่อกลับบ้านแล้วพระที่บ้านของท่านก็มาธนามหา ม, ามหาธรรมะมหาฤาษีธรรมะเองก็ไปทราบ ว่าคุณยายเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นการเื่ทางสํานักถือว่าเป็นกิเลสท่านถามว่ากายเห็นภาพพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นยังไงก็อออ บ, บอกก็จะบอกตามความเป็นจริงว่าคุณโยมนี่เป็นฌานในพุทธานุตินโนสติกรรมฐ า, านแล้วและคุณโยมไม่ใช่เข้าถึงฌานเฉยๆเป็นผู้ส่งฌาน ช, าชิน ด, ด้วยและฌานนี้ก็เป็นฌานที่สูงมาก สามารถนึกขึ้นมาเพราะแค่พระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเป็นไปตามนั้นหมดก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกล้าทำถ้าใครก็พูดถึงไขรลองนึกในใจว่าขอภาพของพุทธรูปจงหายไปขอภาพเขาบุกคนนั้นจะบุคคลนั้นยมปรากฏแทน คุณโยมก็ทำอย่างนั้นในที่สุดใครพูดเรืงใครที่ไหนโยมก็ถามว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เป็นการถูกกรวงความว่าคุณโยมต้องการเห็นทีวันได้นนสวรรค์โยมก็เห็นหมดต้องการเห็นคนที่จากไปอยู่ไกลไกลเวลานี้อยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างคุณโยมเห็นถูกในเมื่อเข้ามาหาคุณโยมถามก็ตอบตรงตามความที่รู้สึกที่เห็นไว นี่ระบรรดาเต็มพุทธบริษัททั้งหลายการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในที่สุดคุณโยมนั้นก็เห็นชัดว่านรกเป็นยังไงเปรตอสุรกายแดนสติฉันเป็นยังไงสํานักปยญายมเป็นยังไงสวรค์พมโลกเป็นยังไงทั้งหมดเวลาคนตายปุ๊บลงไปโยมก็ติดตามึ้นว่าคนนี้ไปไหนภาพมันปรากฏชัดทันทีแต่คนนั้นไปสู่แดนอับ่ยภูมิ ก็อย่าถามเขาว่าเพราะบาปอะไรเดี๋ยไปสวรรค์เพราะบุญอะไรแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ตอบตรงตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงการเจริญพุทธานุสิกรรมฐานถ้าทํามไม่ถูกเสี้อย่างเดียวไม่ใช่แต่เป็นสุ ข, ขาวิปัสโกเป็นวิชาสังก็ได้เป็นปัญญาก็ได้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทในหลายสามสิบนาทีพอดี สำหรับตอนที่เก้านี้ก็อขอลา ก, ก่อนเพราะว่าหมดเวลาเสียแล้วขอบันดาสาวกคุโองคสมเด็จปัจินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผ ล, ล, ลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิทธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันน้าสุขขปะละและปฏิภานหากทุกท่านเพิ่มประสงค์สิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนานทุกประการสวัสดี